พันพันเท่ามันมากยิ่งกว่านั้นขนาดไหนนี่ถ้าหากพวกเราได้เห็นได้ยินหรือประจักษ์แก่ตาว่าสัตว์นรกตกนรกตกอย่างไรแล้วสัตว์นรกได้รับความทุกข์ความทรมานความเดือดร้อนกระวนกระวายอยู่ในกองนรกไฟนรกเผานั้นเป็นอย่างไรเสียงครวนครางของสัตว์นรกนั้นเสียงรนคลางอย่างไรขอให้ทุกๆ ท, ท่านได้เห็นเถอในศาลาท้งหลังเนี่ย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 เทศเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2551